มาดูสูตรต่อไปนะอุปปัชชนติสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระนร์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งนที่กวนส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพียงใดพวกอัญญะเดรถีย่อมเป็นผู้อันมหาชนสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงและได้จีวรบินทบาตเสนาสนะและขีลาณปัจจัยเพศัาบริขารเพียงนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกเดรียร่ก็เป็นเป็นบุคคลที่ได้รับการ ยอมรับมากแต่เมื่อใดพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกอัญญะเิรธีปริภาชกย่อมเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะเคารพนับถือบูชายามเกรงก็เลยไม่ได้จีวนบินธบาเสนาสนะและขิลาณปัจจัยเพศสัตยบริขารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ย่อมเป็นผู้อันมหาชนสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงและก็ได้จีวรบินทบาเสนาสนะและขิฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าจริงอย่างนั้นอ น, อนุนจริงอย่างนั้นอ น, อนนก็ใช่นะพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าแสงหิ่งห้อยนั้นเนี่ยนะ ส่งแสงสว่างอยู่ชั่วเวลาอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแสงหิ่งห้อยนี่จะสว่างเมื่อดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วแสงหิ่งห้อยนั้นก็อับแสงไม่สว่างได้เลยพวกเดรัีสว่างเอ่อพวกเดรัีสว่างเหมือนกับแสงหิ่งห้อยตราบเท่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่อุบัติขึ้นในโลก แต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นพวกเดรัจฉีและแม้พวกสาวกของเดรัจฉีเหล่านั้นก็ย่อมไม่หมดจดพวกเดรัจฉีมีทิฏฐิชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมไม่พ้นไปจากวัฏฏทุกเนี่ยนะย่อมไม่พ้นไปจากวัฏฏทุกข์ได้เลยเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นตัจใจเนี่ยนะจึงมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยนะ ทิฏฐิก็เรียกว่าที่ถูกปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพชาติชารา ม, มรณะวันละที่เดียรถิไม่สามารถทำให้พ้นจากทุกได้ บทว่าเอวเมตังอนันทะพระองค์แสดงว่า อ, อนอนน์ข้อที่เธอกล่าวว่าเมื่อตถาคตอุบัติขึ้นลาบและสการะย่อมเจริญยิ่งแก่ตะถาคตและแก่สาวกของตถาคตเท่านั้นส่วนพวกเดรธีเป็นผู้ไร้เดชหมดรัศมีเสื่อมลาบและสการะนั้นน่ะย่อมเป็นอย่างนั้นข้อนั้นหากลายเป็นอย่างอื่นไม่จริงอยู่เมื่อจักรรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิปรากฏในโลก สัตว์โลกแต่ละรัตนะไม่ทำการบูชาสการะสำนนะให้เป็นไปในที่อื่นแต่สัตว์โลกทั้งมวลล้วนสการะเคารพนับถือบูชาจักรรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นโดยภาวะทั้งปวงดังนี้แม้วิบากเป็นเครื่องไหลออกเพียงเป็นบุญที่สร้างไปตามวั ต, ตะก็ยังมีอนุภาพมากถึงเพียงนั้นจักรัตนะเนี่ยนะจากอันนี้สำเร็จด้วยบุญของพระเจ้าจักรพรรดิ คนก็ยังนับถือเคารพสักการะจะป่วยกล่าวประยายถึงพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังครัตนะอันทรงไว้ซึ่งจำนวนคุณหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนพลังแห่งบุญอันส่งผลให้ไปถึงพระนิพพานเพราะขนาดจักของพระเจ้าจากักรพรรดิคนยังเคารพขนาดนี้แล้วพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะละพระพุทธรัตนะเนี่ย มีคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมก็มีคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ก็มีคุณหาประมาณไม่ได้ทีนี้ผู้ที่นับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นเครื่องสนับสนุนให้บุญบุญเนี่ยบุญเนี่ยจนเป็นพลังใช่ไหมพลังบุญเนี่ยส่งผลให้แทงตลอดกับในพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นพุทธานุภาพเนี่ยนะธัมมานุภาพสังขานุภาพเป็นสิ่งที่ผลักดันให้บุญเนี่ยมีกําลังยิ่งยิ่งขึ้นไป อันนผะลักดันให้บุญของเราเนี่ยมีกำลังในที่สุดเราก็พ้นไปจากวัตทุก์ได้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะครั้นทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็คืออรหัตตมัคคยาญเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานและพระคุณอันประเสริฐทั้งหมดเนี่ยนะทรงประกาศพระธรรมจักเมื่อพระอรหันตหองค์บังเกิดขึ้นในโลกตามลาดับหองค์ใครบ้างปัญจวัคคีห้า และยะพระยะกับสหายอีกห5บวกกับพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งองค์ก็เป็น66องค์เกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ส่งพระอรหันห์หรูปเพื่อจาริกไปตามชนบทพระองค์เองนั้นก็เสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศให้ชดินพันคนมีอุรุเวลกัะสปะเป็นหัวหน้าดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแวดล้อมไปด้วยพระอรหันต์เหล่านั้นประทับนั่งที่สวนตาหนุ่ม ทำชนชาวอังคะและชาวมคตมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขประมาณ 1,2 ึ0 0 0มืนรูปให้อย่างลงในพระศาสนาในคราวที่พระองค์ประทับอยู่ณนะกรุงราช จ, จครึกจำเดิมแต่นั้นลาบและสการะของเดียรถีทุกจำพวกย่อมกลับเสื่อมลงทีเดียวโดยประการที่ลาบและสการ ะ, จะเจริญ ย, ยิ่งขึ้นไปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสุสง อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสิ้นสี่อสงไขยแสนกับพะาาระอัครสาวกเท่าไรหนึ่งอสงไขยแสนกับสาวกหลังรองๆ อ, องไปกว่า น, นั้นก็แสนมาหากรับเป็นต้นท่า น, นท่านเหล่านั้นก็มีเป็นผู้ที่สั่งสมบุญไว้มากเลยนะลาบสาการะก็เยอะไปหมดเลยภายหลังวันหนึ่งท่านพระนล น, นั่งพักอยู่ในที่กลางวันพิจารณาถึงสัมมาปฏิบัติเท ว, ว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาดของพระอริยสงฆ์ก็เกิดปีติและโสมนัสเนี่ยนะข้อปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆเนี่ยนะข้อปฏิบัตินะการประพฤติเนี่ยการประพฤติการปฏิบัตินี่สำคัญมากเพราะว่าจะเข้าถึงความทุกข์หรือจะพ้นทุกข์ก็ อ, อยู่ที่ข้อปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัตินั่นเองแต่วิธีการปฏิบัติจะเป็นไปได้ดีก็อยู่ที่ว่าเข้าใจข้อปฏิบัตินั้นแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะความเข้าใจนี้เป็นเหตุให้ปฏิบัติได้อย่าง ไม่ยากเนี่ยนะครความเข้าใจในข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่สําคัญพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติ อ, อยู่ในข้อปฏิบัติเพราะพระองค์มีความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติตรัสรุปแจ่มแจ้งเป็นอย่างดีขณะเดียวกันพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านเหล่านั้นฟังคําสอนจนเข้าใจท่านก็ปฏิบัติตามจนบรรลุเป็นพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยะก็เพราะอะไรเพราะเห็นอริยสัจจึงเป็นอริยะสงฆ์ก็คือหมู่หมู่ชุมชนประชุมชนผู้ เห็นอริยสัจ ท, ท่านพระนรนทรก็เจริญพุทธานุสติในนั ก, กับเจริญสังขานุสติสัมมาปฏิบัติอันนั้นเป็นธรรมานุสติเสร็จแล้วก็ไปตรึกสิ่งที่ตรงกันข้ามคนใดที่จะเข้ารู้จักคําว่าดีคนนั้นจะต้องรู้จักคําว่าชั่วถ้าใครรู้จักปฏิบัติที่ถูกแสดงว่าเข้าใจข้อปฏิบัติที่ผิดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยรำพึงถึงข้อปฏิบัติของเหล่าเดียร์ีนั้นว่าข้อปฏิบัติ หรือการปฏิบัติของพวกเดี๋ยวีเป็นอย่างไรเนาะลาดับนั้นการปฏิบัติชั่วแม้โดยประการทั้งปวงของเหล่าเดี๋ยวรตีเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วแก่ท่านพระอานน์อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลเดี๋ยวรตีทั้งหลายไม่มีศีลอยู่ในนั้นเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสมถะทั้งหลายเป็นกสินสิบอนุสติสิเป็นต้นเนี่ยนะเดร๋ยวีไม่มีเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของปัญญา ทิจารณาขันธาตุอายตนะเป็นต้นเดรัจฐีเหล่านั้นไม่มีเมื่อเมื่อเห็นความแตกต่างกันอย่างนี้ของพวกเดรัจฐีนะข้อปฏิบัติที่ตรงกันข้ามในพระพุทธศาสนาท่านก็เห็นชัดท่านบอกว่านั่นเป็นการปฏิบัติที่ชั่วท่านท่านนลกิดต่อไปว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อว่ามีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ผู้บรรลุพระบารมีสูงสุด แห่งอุปนิสัยของบุญนะที่พระองค์บรรลุถึงสูงที่สุดได้ก็เพราะบุญนะนะและสัมมาปฏิบัติบุญเก่าเป็นปัจจัยสัมมาปฏิบัติเป็นเหตุใกล้ให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ก็ยังทรงอยู่พวกอัญญะเดยรถีเหล่านี้จึงปฏิบัติชั่วอย่างนี้ไม่เคยทำบุญมานะอดีตไม่ได้สั่งสมบุญอะไรมาเลยเป็นเหมือนกับคนกําพระจึงจักมีลาบ เป็นผู้อันเขาสักการะได้อย่างไรที่เขาให้ทานเดียรถีเนี่ยเขาให้ทานเหมือนให้คนกําพรร์เนี่ยนะไม่ได้ให้เพื่อบูชาอะไรหรอกอ น, นะก็เลยเกิดความกรุณาในการเสื่อมลาบสักการะของพวกเดียรถีเหล่านั้นก็นึกสงสารจับใจเนี่ยนะต่อจากนั้นก็ได้กราบทูลความปริวิตตกของตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยในเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ถาตถาคตอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพียงใดเป็นต้นก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสปฏิเสธกับท่านพระอานนว่าอานนท์เธอมีความปริวิตกผิดไปแล้วดังนี้พระองค์ไม่ปฏิเสธคำที่พระ อ, อนน์พูดเลยตรงกันข้ามพระองค์ตั้งพระสอขึ้นตรงเช่นกับกลองทองทรงกระทาพระพักให้ อ, อบอิ่มอันงดงามปานดอกบัวที่บานสะพรั่ง ให้หน้าเลื่อมสายยิ่งนักทรงร่าเริงว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นอ น, อนุ์แล้วก็ทรงอํานวยตามคำของพระ อ, น, อนุนโดยนายเป็นต้นยาวกีวันจะดังนี้เนี่ยนะก็คือพระองค์ยอมรับว่าสิ่งที่พระอนุนคิดเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นตามนั้นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสชาดกนะนะเชื่อว่าปาเวรุชาดกนะนะยกเรื่องในอดีต ถ, ถึงคนที่เลื่อมสายในเดียร์ี ตราบเท่าที่พระพุทธเจ้ายัางไม่อุบัติขึ้นเนี่ยนะให้เป็นตัวอย่างหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสขาถานะเอตมัตถังวิธิตวาความว่าพระองค์ทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งอัถานี้ว่าทิฏฐิคติกะบุคคลก็คือบุคคลที่ดำเนินชีวิตไหลไปตามกระแสของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมีสักการะสักการะก็คือการ นะเอามาบูชาสัมมาณนะคือการเคารพตลอดเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนับตั้งแต่เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นอุบัติแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็เสื่อมจากลาภสการะหมดรัศมีไร้เดศพวกเขาไม่พ้นจากทุก์ไปได้เพราะการปฏิบัติชั่วตอนนี้พระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะคนทั้งหลายเริ่มไม่รู้จักพระพุทธคุณแล้วก็กลับไปนับถือเดรธีกัน ค่อนข้างตามเดิมเนี่ยนะอย่างที่อินเดียนี่เห็นชัดใช่เมืม่อคนไม่รู้จักพระพุทธคุณแล้วก็กลับไปนับถือเดียร์ธีตามเดิมเนี่ยนะก็หมายความว่าเมื่อแสงอาทิตย์ดับไปแล้วก็นับถือหิงห้อยต่อไปดีกว่าเนี่ยนะที่บอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะชื่อว่าปะพังกรอประพังกรเนี่ยพระอาทิตย์ได้นามว่าปะพังกรเพราะทำให้มีแสงสว่างในขณะเดียวกันในมหาทวีปทั้ง4ไม่ทอแสงคือ ยังไม่เกิดขึ้นไปตราบใดจริงอยู่เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพวกแสงหิงห้อยก็ได้โอกาสเปลี่ยนแสงเช่นกับผลไม้มีหนามย่อมส่งแสงในที่มืดเมื่อพระอาทิตย์อันได้นามว่าวิโรจนะเพราะมีภาวะส่องแสงโดยรัศมีแผ่ออกพันดวงกําจัดความมืดโดยรอบขึ้นไปแล้วแสงหิงห้อยก็หมดรัศมีไรเดท เป็นสีดําไม่มีแสงสว่างไม่แผ่แสงเหมือนความมืดในราตรีแสงหิงห้อยนั้นก่อนแต่พระอาทิตย์ขึ้นย่อมส่องแสงฉันใดพวกเดรธีที่ได้นามว่าตักกิกาเพราะยึดถือทิฐิด้วยเหตุเพียงการตริกกําหนดะนะครเดรธีเนี่ยก็อยู่ในวิสัยของการคาดคะเนทั้งหมดเน่ยนะเพราะฉะนั้นสว่างพระอาทิตย์ขึ้นก็สว่างส่องแสงด้วยเดชแห่งลัทธิของตน เพราะไเพราะเดียร์ีเนี่ยนะยึดถื อ, อมิจฉาทิฐิด้วยเหตุเพียงการตรึตรกกําหนดสว่างคือตั้งส่องแสงด้วยเดชแห่งลทัทธิของตนตราบเท่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพรัะเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีข้อปฏิบัติที่ถูกเขาก็เลยพากันนับถือพวกเดียร์ีทั้งหลายแต่ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ทิฏฐิคติกะบุคคลย่อมไม่บริสุทธิ์ย่อมไม่งามทั้งสาวกของทิฏฐิคติกะบุคคลเหล่านั้นก็ไม่งามถึงกระนั้นก็ถูกกำจัดรัศมีไม่ปรากฏเหมือนกับลูกศรที่ยิงไปในราตรีพันรัตที่เดรยรทีก็อับแสงพันถ้าหากว่าจากสูตรเลายๆายสูตรที่ดูเนี่ยนะแสดงว่ารัตที่อื่นๆในในสมัยพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยเสื่อมมากนะเสื่อมมากจริงๆเลย จนจนมีพวกลัทธิเดร์ถีบางคนเนี่ยนะสมาทานผูกเวรกับพระพุทธศาสนาเลยบอกว่าค่าๆกับว่าลัทธิของตัวเองทำไมมันเสื่อมมากขนาดนี้ตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาก็เริ่มผูกเวรขึ้นพยาบาทว่าจะต้องลบล้างให้ได้แล้วก็ในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จเนี่ยนะวิธีการของเขาก็คือตอนแรกก็ปฏิเสธแต่ตอนหลังปฏิเสธไม่ได้ก็คือเาเรียกว่าอะไรนะให้เป็นพวกเดียวกันก่อน นะก็เลยเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นปางอวตารนะหลังจากนั้นไม่นานก็บอกว่าเขาถือว่ า, าพวกลทัทธิเดรัตถิเขาถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นปางอวตารก็จริงแต่สมัยนั้นเนี่ยสวรรค์มันเต็มหมดเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนให้คนเนี่ยตกนรกมากๆก็เลยอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนมิจฉาทิฏฐิให้ตกนรกกันว่างั้นเนี่ยคือตอนแรกมาเป็นพวกเดียวกันแล้วก็วางมาไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยพระพุทธศาสนาสูญจากอินเดียเลย เนี่ยนะเพราะวิธีการคี่เรียกว่าเรียกว่าให้มันกลมกลืนกันก่อนเสร็จแล้วก็ปัดทิ้งในวันหลังในที่สุดเนี่ยนะแล้วก็แต่ก็อย่างว่านะเพราะว่าคนยุคหลังๆก็บุญน้อยนะพวกบุญมากก็ก็ไปกันหมดแล้วนะอีกอย่างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพียงใดพวกเดรัจฉก็ยังแผ่แสงโชดช่วงตามละทของตนหลังจากนั้นก็ไม่มีแสง ตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยนะเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่พวกเดรัธีไม่บริสุทธิ์สาวกของพวกเขาก็ไม่บริสุทธิ์พวกเดรัธีเหล่านั้นกล่าวทำมะวินยัยเอาไว้ไม่ดีเมื่อกล่าวไม่ดีก็ไม่มีการปฏิบัติที่ชอบไม่มีการปฏิบัติถูกนะเมื่อปฏิบัติไม่ถูกก็ย่อมไม่บริสุทธิ์จากสงสารคือปกติเนี่ยนะคำว่าบริสุทธิ์จากสงสารก็คืออะไรบริสุทธิ์จากขันธ์ธาตุอายตนะ สัมมาทิฐิเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติถูกเนี่ยจะขันธ์อ า, ายตนะจะไม่เป็นเหตุแห่งราคะโทสะและโมหะแต่ถ้าปฏิบัติผิดราคะโทสะโมหะก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นในขันธ์อายตนะธาตุเรียกว่าสงสารเพราะอะไรเพราะว่าคําสอนของเดรรทีเนี่ยเป็นคําสอนที่ไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกเลยเพราะเป็นคําสอนที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อมัชฌิมาปฏิปทา เป็นคําสอนที่ไม่ได้สงเคราะห์ลงไปในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จึงไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์เพราะธรรมะที่นําออกจากทุกข์เนี่ยนะนิยานิกระทามีอย่างเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์บอกว่าในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ในธรรมวินัยนั้นมีมีพระอริยะหรือมีสมณะคือพระอริยะบุคคลเนี่ยนะเพราะฉะถ้าหากว่าคําสอนเหล่านั้นไม่เกื้อกูลต่ออริยมรรคมีองค์8 ก็บรุกไม่ได้ทั้นเดียร์ีไม่สามารถสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดได้ก็ดังที่กล่าวว่าเราเคยได้ยินไหมไปหลายท่านในที่นี้ก็ไปมาเกือบรอบโลกแล้วไปเคยเห็นคําสอนอริยศาสตร์อยู่ณนะตําแหน่งใดของโลกบ้างเนีย่ยนะเว้นจากศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะสอนเรื่องอริยศาสตร์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นแยกเป็นองค์มรรคแปดโดยหลักการปฏิบัติคล้ายคลึงกับคําสอนเนี่ยนะยมเคยเห็นไหม ไม่เคยเห็นะนะเนาะก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าพณที่สอนหลักการอันนี้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วเราที่เราเรียนรู้เราก็เรียนในฐานะผู้เรียนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นไปตามคําสอนเมื่อใดก็ไม่สามารถนําออกจากทุกได้จริงอยู่พวกเดรัจฉ์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้มีทิฐิชั่วมีทิฐิอันยึดถือไว้ผิดได้แก่มีความเห็นผิด เพราะไม่มีลัทธิตามความเป็นจริงคือไม่สามารถบอกกล่าวตามเป็นจริงให้เห็นอริยสัจได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่สละทิฐิแล้วถ้าไม่ยอมสละความเห็นผิดอันนั้นไปปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เป็นความเห็นถูกแม้ในการไหนๆก็ไม่พ้นจากทุกในสังสารวัฏได้เลยไม่สามารถจะพ้นจากวัตฏะได้เลยไม่สามารถจะพ้นไปจากขันอาญตนะได้เลยทิ้งทุกอันนี้ก็แบกเอาทุกอันใหม่ ทิ้งภาระอันนี้ก็ถือเอาภาระอันใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนกับพระอาริยะทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าขันห้าเป็นของหนักเป็นภาระที่หนักท่านก็ปล่อยปล่อยภาระอันนี้คือปล่อยจากการถือว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาเพราะท่านวางได้สําเร็จก็คือเครื่องหมายของท่านคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนสามารถแทงตลอดอริยสัจ ท, ท่านก็ไม่ถือเอาภาระอันใหม่เนี่ยนะไม่ไม่ไปหอบภาระอันใหม่ๆขึ้นมาอีก